ประจำวันในขั้นตน้นผู้ที่มีกำลังกายสามารถสาทยายมนทุ่งจำพระพุทธวจ น, นะคำสอน ในทางศาสนา่างที่เราสวดมาถ้าเราไม่สาธยายความจำบางครั้งไม่ได้นอนมันสัญญาอานิจจาม่มีความเสื่อม อ, อาศัยการสาธยาย ที่เราสวดเป็นมูทำความรู้ว่าเราเป็นเป็นพลังของมูองไหนหายใจคนนก็ต่อกันไปแต่เราสวดองเดียวบางทีมันสวดไม่ได้นอกจากเราแบบมากลางหรือพยายามทบทวนทอ่องจำเสมอเหมือนกับ ูสวดปาดิโมกต์นมิโมกว่างสัตยายคล่องทาตาคือรงไว้ว่าจะสราบบิจิตตาท่งในรูปของปากมนาซาโนปกีตาเพ่งด้วยใจย ในเวลานี้เราทำสมาธิเจอะแทงหรือทิฏฐิภาษาบาทิฏฐิสุปฏิวิทาเจาะแทงหรือทิฏฐิหมายความว่าเรานั่งสมาธิคำสอนที่ตันตรั์ไปนั้น เป็นนามธรรมเป็นเครื่องสอง่งให้เรามองเห็นกายกายภายนอกถ้าเรากระจกมาส่องเราก็มองเห็นเหนตาถ้าเรากระจกมาสง่งเรามองเห็นตาลึกเข้าไปเองเราไม่สามารถแตาเราเสีย เพราะสภาพเป็นไปตามความเป็นจริงของวัตถุของรู ป, ปรธรรมจักกูวิญญาณังอานิจังความรู้ทางประสาทไม่เที่ยงหรือสมัยนี้คนที่มันประสาทเสียมาสิบปียี่ปีปปใช้สายตาเทียมเลยนั้นก็มีวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้นผู้ต้องการศึกษาก็ควรที่จะศึกษาชุดแต่เราจะศึกษาในวิชาเช่นอย่างไรอย่งอยู่ในต่างประเทศอย่างนี้แต่เรามีตาดีอยู่เจียเรียนรู้ภาษาของประเทศนี้ก็ได้ภาษากลางก็เรื่อภาษาอังกฤษ อย่างประเทศออสเตรเรียนี้ตามระวัติศาสตร์เราก็ไม่เรียนโดยตรงเพียงเขาเล่าให้ฟังหรือเขาพูดปูเราก็ได้ยินก็รู้ขึ้นมาอย่างเขามีสิทธิ์นี้ก็ททำที่คุกคุกคนเขามาเก็บคนคนที่เสีย อย่างนั้นแต่ท่านเรานั่นสามารถซืบต่อสร้างบ้านสร้างเมืองจึงเป็นตัวอย่างของประเทศบางประเทศก็ได้ไม่ถึงกับประเทศใ ห, ใหญ่ๆหญอย่างประเทศอเมริกาเกาหลีเป็นจั ก, กรรรดิอังกฤษ เป็นทวีปหนึ่งที่อยู่ที่อาศัยอยังมากแต่การปกครองของเขาเขามีระบบระเบียบคนจะมาอยู่ก็ต้องเลือกซะก่นใหประโยชน์กับบริบรษัทสาที่หรือไม่คนทาไม่ให้ประโยชน์แล้วก็ให้โทษสองอย่าง คนทำไม่ดีเป็นคนเสียคนดนีก็เป็นคนดีทำไม่ดีเป็นคนเสียไปเลยจึงก็มีการหนังสือปาสโบดเดินทางถ้ามีทำไม้เสียแล้วผิดกนหมายของเขาก็จับส่งเลยดีเย็นทูดก็คิด คนไปสอนหนังสือในประเทศไทยของเราผมไปอยู่ที่ฟลอริดาคนทงขารู้จักกันดีก็จบด็อกเกอร์เหมือนกันเขาคิดเหมือนกันปรารบว่าให้มี ม, า ม, มาหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งเกรดเอกันมาเพื่อเรียนสำเร็จแล้วให้เขาเชื่อมั่น ในวิชาการที่ศึกษานั้นคำว่าเชื่อมั่นใช้ได้ประโยชน์รเราคิดถึ่งเครื่องบินผมก็นั่งคิดเหมือนกันจะเป็นคนโงห่หรือคนฉลาดก็ไม่ทราบเครื่องบินมันบินมันเรานั่งกันเมืองไทยมาถึงสิสน่แปดชั่วโมงกว่าเครื่องมันเดินทำงาน ถ้าเครื่องไม่ดีมากัมันก็ตกครับแต่เรพิจารณาเนี่ยเขาเขาเก่งครับลร ว, วนฉันเสริญเขาเขาเก่งเครื่องเครื่องหนึ่งก็หลายหมื่นละเป็นหมืน่นล้านหรือว่าไปตามตามเป็นจริงครับาสามารถไปมาสู่กัน โดยลำเลียงสินค้าก็ได้นั่นกันอีกนีวิชาการของเขาถ้าเราตั้งใจจริงๆผมเห็นอย่างผู้หญิงเขาเรียนหนังสือได้ปริญญาโทเนี่ยส่งเสริมให้ดอกเรียนด็อกเตอร์ได้ปริญญาเอกได้แก่อะไรอายุย21ปีเรามาเรียนบารลียึกอายุ21ปี ผมสอบได้ไประโยคน์้าปีสอง2ันห้าร้อยสองเราคิดดูดิครับห้าร้อยสองมาอยู่กรุงเทพพอสอบสอง6ันสี่ร้อยเก้าสิบไม่ใช่สองพันสี่ร้อยแปดสิแดสิบเก้าเก้าลบเก้ลบสิบเหลือหนึ่งเหลือสาม แค่นี้แปดบแปดลเก้าดือนหนึ่งสิบสองปีครับกว่าจะได้ได้ผ ป, ประโยคน์ 5, ก่อนดีนั่นเอกที่ดูช่วงหมายถึงช่วงการเรียนในระหว่างสิบสองปีสิบสามปีลูกสิบเราเพียงเจ็ดปีเขาได้ประเรียนเจ็ดประโยค ได้ศาสนาศาสตร์บัณฑิตกำลังเรียนปริญญาโทอีกผมจึงส่งเสริมแต่ว่าการปฏิบัตินี้ก็ไม่ต้องปฏิบัติด้วยหลักศาสนาเท่ากัาปริยัติที่เราต้องศึกษาปริยัตแปลว่าศึกษารอบความรู้รอบตัวอย่างอีก ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่มีความรู้เราไปไหนต้องใช้สายตาผมนี่มาได้ก็ อ, อ, อาศัยเขาทัา่เขาไหนั่งเขานั่งเขาไหว เ, เดินก็เดิ น, าดนตามเขา เ, ออเราไม่มีปัญญาที่จะช่วยตัวเองได้นอกจากว่าสังขารร่างกายมันดี่ ไม่เป็นภาระราของผู้อื่นกันโดนนิติในผู้เป็นสมณนะก็งาใส้ผู้อื่น mm hmm. เพราะเราเสียสละามาแล้วโดยนโดยพฤติในการนตินิติในด้วยกฎหมายด้วยธรรมะวินยัยเราก็ ต้องเสียสละอย่างเราอยู่ในสถาน้าคือวัยยังหนุ่มคำโบราณก็ตื่นเต็นดึกศึกเต็นหนุ่มถ้าแกแล้วมนทำอะไรไม่ได้แกระวังมาของตนเองไว้เรามุ่งความเจริญของชีวิตของตน โดยนักรทก็บำเพ็ญเพื่อให้หมดกิเลสถ้าเราทำหมดกิเลสจริงๆสามารถดึงดูดเป็นแม่เด็กดึงดูดบุคคลอื่นเข้าสู่ศาสนาโลกมันก็จะว่างนะครับโลกก็งไม่แน่นนะอัดแอเต็มกันไปเพราะความเกิดเป็นภาระ เป็นตัวทุกข์ยิ่งเราเกิดมาแล้วนี่เราไม่ทำอะไรเราศึกษาเรื่องศาสนาชาวโลกเคียงเลี้ยงเราสุปารโเป็นผู้เลี้ยงง่ายขึ้นมามีอย่างไรก็ยินดีอย่างนั้นพออย่างรูปอากนเนี้เป็นไป เพื่อรู้ประกันในสัทตติคือสืบโตให้ทรงอยู่ได้ครับเราก็มีอุบายที่จะแนะนำให้เขาเข้าใจในศีลธรรมคือำไมเขาอยู่ดีอยู่ดีกินดีไปดีมาดีมีน้ำใจที่เ อ, อเื้อเฟื้อเอื้ออารทนให้มีน้ำจิต ม, มีเมตาตาต่อกัน คนเราอยู่รวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเรา้ึงมีเมตตาต่อกันเมตตาปิยาริโยภิกขุปสัสนโน <c oughs> พุทธศาสนิภิกษูมีเมตตาบรรลุสันติบทคือบทอันรับสันติสุขธรรมะ ม, มีถึงแปดมืนที่ธรรมะกันเรา บทใ ด, ดบทหนึ่งก็ได้สันตากาโยคือความสงบเหมือนเราพักผ่อนเปลี่ยนอิรยาบทของร่างกายภาษาของพระเรียกว่าจำวัดภาษาของโลกเรียกว่านนจำวัดแม่ทุงเหนา ถ้าเราเข้าใจในอุบายที่ทำจิตของเร า, าอยู่นิ่งก็รับความสัมผัสภาษาของหลักสัญญาเวทียดดับสัญญาและเวทนาสัญญาที่ไปใส ย, สยไปรับเรื่องราวต่างๆ มามาำให้มาอยู่ในดวงใจเป็นเหตุให้วุ่นวายวุ่นวายตัวเองนอนไม่รับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้แต่เราฝึ ก, กจิตทำจิตของเราให้มีธรรมะคือสติคุมจิตให้อยู่ทำ ตัวภาวนาคือตัวตัวพุทธโธตัวรู้ลมหายใจเป็นเครื่องบริหารก่ลมหายใจตัวภาวนานเป็นการบริหารจิต คือดึงจิตให้อยู่กับลมหายใจแต่ตัวพุโทโธคือตัวภาวนาที่เรานึกสวิตตักังเรานึกสวิตตักไังแปลว่านึกทําจิตเอาสติคุมจิตให้อยู่กับลมหายใจ ลวมหมายใจก็เป็นเป็นธาตุทวนหนึ่งในตายรันพ่อจึงเลี้ยงว่าเป็นธาตุทีสำคัญในเวลาสวนทาตท่านยกขึ้นวาโยจาพุทธคุณังใกล้ๆทำวาโยธาตให้มีพุทธคุณคือความดีของพระพุทธเจ้าครับแต่นบทอิติปิโสรัตนามาราห้าสิบหกอักคร อักรดหนึ่งเดียวอิแต่บัณฑิตทันฉลาดมาผสมแต่งเป็นฉันเราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาภาษ า, าศาสนามันไปโรคขึ้นมาเหมือนกันนักโรงทำใจภาคไหนมีนักโรงขึ้นมา แม้แตนะ่คนขอทานไปก็มีพินมีดีดพินอะไรอยู่แล้วเหมือนอย่างไปเจ้าอุเทนไปเจ้าอุเทนนักเรียนพินจากจากดุสี รกาดาบทมีเพื่อนสองดาบทเวตดีปรกาอันละดาบทเวดีปากาอันะดาบส อ, สองดาบทเบือ่อพวกระดับราชามีเงินเป็นเรียกว่าเศรษฐีในประเทศอินเดียนับเป็นโกดโกด เบื่อที่เราส่วนมุนในอนัตตะรู ป, ปัดสวิ่งไปนีเบื่อในรูปมันเบื่อบริหารอยู่เนี่ยเป็นความจริงเนี่ยเราเห็นความเป็นจริงครับไม่ใช่พูดว่ายกโทษให้แก่รู ป, ปากายของเราเนี่ยรูปะกายนี้มันมีคุณภาพที่จิตเราอาศัย เหมือนอาคารสถานที่อยู่เราอาศัยให้คุณภาพแต่เราดำจิตของเรามีธรรมะคือสติจิตของเรามีคุณภาพมีพุทธโธคือผู้รู้นรู้ตามเหตุผลรู้ตามที่ผู้รู้ตรัดแสดงไว้แล้วพิจารณายิ่งรู้ลึกก็ไป บำเพ็ญภาวนาลึกเข้าไปลึกรู้หลายพบหลายชาติมันก็เป็นอย่างนี้คี่พบกี่ชาติก็เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปงลงร่ํารวยกัเหมือนอย่างเศรษฐีเศรษฐีมหาเศรษฐีมีกี่จมีกี่พันล้านกี่หมื่นล้านแต่ไม่ต้งดูการอย่างนางมีสาขามหาบริการ เขาทำเครื่องประดับประดาจึงเก้าโกรธไม่ใช่เลื่นทำเครื่องประดับเลี้ยงคนงานเก้าโกรธซื้อเล้วนางมิทาข้าวไปลืมไว้พระาโดนจับต้องไม่เอาแล้วไม่สมควรแก่มาประดับที่ไกลแล้วจึงถาวายพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงรับพระองเบื่อแล้วเอาไปไหนของอันนั้นไม่ใะกินได้ที่เพียงเป็นอุบายเปลี่ยนแปลงเป็นรูปที่เปลี่ยนให้เป็ น, ปนรูปประธานติยาสยัายนางมีสาขาจึงซื้อที่ภาษาํานวนวินัยก็เรีพาธิกรรมพาธิกรรม กุปปาลามเก้าปูดมีบริวารเยอะนางมิทาคาแต่ท่านหลอนนางมิทาคาเป็นพระอริยบุคคลคือพระสุดาวันมิตของท่านเดียวว่าคือท่านไม่ได้เอาอะไรแล้ว อยู่กันด้วยเป็นธรรมทุกคนช่วยกันทุกช่วยตัวเองได้ผู้ทีศึกษาธรรมะถ้าเข้าใจในความเป็นจริงของรู ป, ปากายว่าทุกคนช่วยตัวเองได้ฉะนันจึงตัดเป็นภาษาว่าอัตต บ, บุริสูช่วยตนได้ ทุกคนช่วยตัวเองได้ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ซีแล้วอันนี้จังถูกครั้งอน้าตา แ, แต่เราก่อนจะซีเราทําความดีครับเพื่อพบมันชั่นเมื่อเราเดินทางไกลมันใกล้เวลานี้มันโลกเขาใช้วิชาการเดินทางไกลมันใกล้เขา เพราะฉนั้นความดีเนี่ยที่เราที่เราทำความดี เ, เพื่อพบมันสั้นก็ถึงมีความเกิดมีกิเลสสวัส์หมุนไปตามกิเลสก็ต้องเกิดแต่เกิดเป็นมนุษย์ประพาาระเจ้าสามารถคำนวณนับได้โลกก็สามารถคำนวณนับได้ ปอบมันจันความอุดมสมบูรณ์ของผู้มีมีความดีอีกเขาสั่งสมไว้พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้รูปสมบัติก็เหมือนกันทนี่เราอยู่ร่วมกันไม่เหมือนกันต่างกัน เพราะการสร้างบุญไม่เหมือนกันดูไปลักษณะสูงดำดำขาวสติปัญญาคือความเฉลาดความความทรงจำเม่นยำนี่ถึงยกยอมตั้งเด่ศึกษามาคือความทรงจำนี่มันไม่เม่นยำต้องอาศัยที่บัสสาตยาย บททวนบนก็ดีอะไรทุกอย่างครับศาสยายนึกถึงอย่างนั้นยังเถ้อไปอีกบ้างทรงจำมณปปติโมกเน้นยิมไปที่ไหนเห็นวงปูอ่อนนึกว่าจะทำไม่ได้เราสังขารมันไม่ยายเขาไม่อยู่หอบเหนื่อย แฟนชลาเป็นธรรมดาของกันเพื่อเราศึกษาเข้าใจเราจึงไม่น้อยเนื้อต่ำใจเพราะรูปไป ต, ตำต้องเป็นไปอย่างนี้เสมอเหมือนกันหมดนะครับนอกจากคนมีฐานะดีในเครื่องอุปรกรณ์ที่ดีครับต่างกัน นิดๆหน่อยๆแต่เราให้พอใจในความดีที่เรามีอยู่ชีวิตที่เรายังเป็นอยู่ดีเราพอใจในความยินดีอันนี้เป็นคุณธรรมมันสำคัญแจึงไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายในใจของเราเอง ยังมีโอกาสที่เรยบำเพ็ญภาวนาคือทำจิตให้มีธรรมะถิ่นธรรมะวิจัยเราเลือกเราในอารมณ์กรรมาฐานในใจของเราท่านว่าเจริตเจริตคืิความประพฤติมาตั้งเดิมมาหลายภพหลายชาติเราคิดภพคิดชาติ ราคาจริตเขาเป็นที่ศึกษาทราบกันแต่ผู้นำมาพูดก็ต้องพูดไปตามเหตุผลดางที่กล่าวนี้เพื่อชี้ให้เห็นตามความเป็นจริงของการาประพฤติธรรมโทษาจริตจิตใจหุดหิดชุนเฉียวนี่ก็เิ็นพยายามทีว่าจะรักษาอารมณ์มนั้น ต้องมีคมกกัมมะกตินตริยังความเป็นใหญ่คือเราศรัทธาศรัทธาในอันนี้ทำความดีให้เกิดดวงใจกายนี้อนแต่อาศัยอาหารเลยอย่างเป็นอยู่ไปจำวันไปจำวันอาศัยอาหารทำให้ร่างกายนี้ก็ส่งอยู่ได้ให้เราเชื่อมั่น เป็นสินตรยังครับความเป็นใหญ่คือตัวจรัาเชื่อในการทำความดีวิริยตรียังคือความเพียรความเป็นใหญ่คือความเพียรแต่เราไม่มีความเพียรดีหนาวก็รดน้อยลงจึงมีโกรกกำบงัง ฉันถึงัดสัญญาเวทโยดับสัญญาไม่ได้คิดในสิ่งที่อห้เกิดความสุขทางทางใจอาเกิดความสุขทางกายคือดับตัวิโรธดดับดับความความหนาวไม่สัมพันธ์กับกิจ ของตัวเจิตมั น, ม, นมันแยกกันได้พระมีพุโทโธตื่นขึ้นจิตอินทรีย์ยังความเป็นใหญ่คือสติทัานตรัสไปอย่างนั้น เป็นองค์แห่งปัญญาให้รลาดทำจิตให้ปลอดภัยด้วยไสยธรรมะดังนีเหล่านี้ แล้วก็แผ่เมตตาดูที่สวันนาสามดาบทไปเอาหน้าไม้มาดาถูกกระบินระยักษยิงโดยลูกศรกำลทราบโดยยาพิษแต่น้ำจิตยังไม่กมรูดกีเมตตา คิดถึงมันดาว่าไม่มีอาหารไม่มีกายอาหารให้มันดามันผิดผิดยังไงไม่ถูกใจยังไงมาพูดจาพาทีให้รู้กับให้เข้าใจกันใจอ่อนนะครับเพราะผู้คนมันมันมันเข้าใจผิดที่คนประทุสร้ายบุคคลผู้อื่น อาหาการมามังการจริงจริงด้วยแล้วครับเราเราเองถ้ากาตาธรรมะตาตีมันเอาอยู่เหมือนกันแล้วที่เลนไม่เข้าไกลออกใครมันมันไม่เป็นใหญ่ในดวงใจเราเมื่อไร่มันก็เป็ น, นเป็นปัญหานะในตัวของเราแหละแา้วเาบเป็นความดีเพื่อแก้ปัญหาเรามีหน้าที่เราแก้ปัญหา แต่เรอยู่วัยนุมเราแก้ปัญหาในวัยหนุ่มเราใช้สายตาเห็นสิ่งริ่านผ่านมาก็ดีเราใช้โสตประสาทฟังความเหตุผลทุกประสาทประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาท เล่นประกาศกศายประสาใจแต่เรามีธรรมะคือสติคุมประสาทอันนั้นได้ประสาทเพียงไปรับอารมณ์เข้าสู่ใจเท่านั้นบางทีรับผิดท้งนั้นนะครับแต่ถ้าเรามีธรรมะเข้ามาเบา รัวประสาทนั้นเป็นเบาของใจใจเป็นนายเราต้องเอื้อเพื่ออาทรมันเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราไม่รับเรื่องราวให้ให้จำนายดื้อร้อนถึงเป็นเจริงก็ไม่พูดเพราะไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งไม่เป็นจริงยิ่งร้ายไ ม, ไม่ควรเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตรรมะเจวตะตาตินทีความเป็นใหญ่คือสติสตินี่ความฉลาดมันเกิดขึ้นแต่เรามีธรรมะเรามีเราฉลาดมันก็เก็บไว้เลยเก็บไว้ในกรองหัวใจของเราตัวฉลาดไมนในสมัยนี้เด็กมันเกิดขึ้นมา สิบวบสิบสองขวบฉลาดไอคิวบางวันเนี่ยผู้หญิงอายุยี่สบเจปีจบปริญญาโทเนี่ยอีกสามปีเรียนด็อกเตอร์มันไม่เป <ım. S 2> ็นอะไรสามปีอยู่ไปอยู่เพลินเปยไม่รูอะไรปเดี๋ยวเดยมันจบถ้าเราว่าแกเราพูดแไม่มีมีมีคนเราจำบ่อยอย่างนี้ต้องทามีกาถามีปู้ชายมีศาสนาั แล้วแล้วไม่ดีมันแก่ไหมเราอยู่เฉยๆมันทำไม่แก่ยุธันไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ฟังนเหตุผลแน่เดี๋ยวเพราะงั้นเรามีพูดโธให้รู้ความแก่มันธรรมดาของมั น, นธรรมดาของขั น, นพวกนักศึกษาก็ไม่คิดถึงความแก่คือไม่หน้าที่ความดีนี่ต้องติดดวงจิต ไปสู่พบน้อยพบใหญ่นั่นปัญญ์จ ด, ดินตรีวิญญตรี ด, ดินตรีวิญจะดินตรีปัญญินทรีคือความฉลาดครับอุบายต่างๆทั้งเราศึกษาคนที่ศึกษาก็มีอุบา ย, ยาต่างๆนี่อย่างประเทศที่ว่าคนที่คุก ก็มาแก็บไม่ดูก็มีอุบายต่างๆทำอุโ ม, มงทำอุโ ม, มงใต้ดินออกไปขึ้นตรงไหนเมื่อก็พูดอย่างี้อุโมงใต้น้ำคือมันแก้ความคับข้างของจราจรพวกนี้มันมีไอคิอนากระตังสยามขั้นโลกีทาให้คิดอย่างนั้นมันก็มันแก้คอยอยายยาก มันบ้านเมืองมันเต็มเป็นโคนมันอยู่เต็มมันแก้ยากเดีวต้องป้องกันไว้แค่นั้นในทางศาสนาก็เหมือนกันแต่เราศึกษาหาความรู้ในทางศาสนาเรือ่อซึ่งตัวบารมีครับอย่างในหลวงแผ่นดินรลวงทรงครองแผ่นดิน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของอนาปรญชารย์ประสบนิโกรทุกท่วนนาน้ำพระทยรรระัยครับผู้มีบุญคนคนทถึงประหลังเขายอมรับว่าผู้มีบุญเราเห็นตำตาอยู่ล้าเร้นน้อมมาพิจารณาเขาให้เกิดปัญญาตัวปัญญาบารมีที่เราต้องศึกษา วันหนึ่งวันหนึ่งผู้ไปตามเหตุผลเราต้องเอาประโยชน์ให้แก่ตนได้ได้คือประโยชน์แก่ตนประโยชน์เนี่ย ค, คือความดีเนี่ยเป็นประโยชน์แก่เราครับเชียนลมบำเพ็ญทานก็เป็นความดีไปให้เราอุดมสมบูรณ์ในในภพน้อยภพใหญ่ มบำเป็ญศีลทํำท้ำชีวิตเราไม่คืคนวิการแต่อย่างใดอย่างหนึง่งในพบน้อยพบใหญ่เห็นคนอย่างนี้คนพิการเยอะยังมีถึงอย่างใดก็ยังช่วยเหลือกันแก้คนพิการคนตามบอดหูหนวกไม่โรงเรียนตามบอดหูหนวกจงเสริมให้การกีฬา ตรงนั้นเราทำความดีเรามันแก่ก็เป็นธรรมดาครับมันเหมือนกันหมดแต่ก็ยังไม่มีวิธีที่จะแก้รักษาได้ในเมื่อมีสัน ต, ติมันสืบต่อหมอก็ต้องใช้วิชาการให้ได้สําเร็จประโยชน์เขาเรียนมาแล้วก็ต้องใช้วิชาได้ให้ได้ประโยชน์ในวิชาการที่ต้อง เรียนวิจัยในในอาการของสังขารร่างกายในอาการ32ปัญญาบารมีขันติความโดตุลผมเห็นจากคุณยานโอโรดุมรับผมก็ยสังเิตไปอเมริกาประมาณกัน เราไปเครื่องบินมันเสียเร า, เอ า, เ, อาเอาสวมรองเท้าบ่างสวมมือ บ, าบา้างมวบบ้างท่านไม่เอา เ, อาเอานี่ขันติบา ร, รมีกับอดทนผมสังเกตผมบางทีก็ไม่ใคยพูดอะไรเลทําความเป็นจริงในลักษณะนี้ขันติคือความอดทนแล้วไม่ปรีปากว่าหนาว จะคุณพ่อวระโว่คารามอีกทำอะไรไม่ปิบไม่บนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่บนไว้คนนั้นช่วยนี่คนเขาทำท่านตัมมานตัวดำตัวแดงมีน้ำใจความอด ท, น, ท, น, ทนตนตนโตความกลากรา มันจิตใจมันเข้มแ ข, ข็งครับองบเป็นมาหลาย